วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้มีโอกาสมีเวมีเวลาว่างมาศึกษา ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่จะนำพาผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปสู่สุขคติไปสู่ที่ปราศจากความทุกข์ไปสู่ที่มีแต่บรล ม, มัสุขเพราะสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ให้ความสุขและความทุกข์ก็คือใจใจนี้เป็นสิ่งที่ผลิตความสุขและผลิตความทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่ถาวร ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งอื่ น, นเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเช่นร่างกาย ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายความสุขความทุกข์ของใจจึงอยู่ไปกับใจ เป็นเวลาอันยาวนานไม่เหมือนกับความสุขความสุขความทุกข์ของร่างกายที่เป็นของชั่วคราวต่อให้เราหาความสุขมาให้ร่างกายมากน้อยเพียงไรก็ตามมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงหาเงินทองมาเป็นกองเงินทองกองเท่าภูเขา เพื่อซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆให้กับร่างกายก็เป็นความสุขที่ต้องมีวันชิ้นสุดลงเพราะร่างกายนี้ไม่เกินร้อยปีก็ต้องหมดสภาพหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่แบบไม่มีความสุข เพราะเมื่อร่างกายแก่มากๆก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนมีความเจ็บมีความปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของผู้ใหญ่ผู้โตหรือร่างกายของผู้น้อย ก็เป็นน่างกายเหมือนกันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่มือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มาสร้างอาการสาสองเกิดขึ้นมาเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองสีสันน้ำเสลดน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืวน้ำเหนืยวน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำโมกน้ำไขข้อน้ำมูดอาการเหล่านี้เกิดมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟผสมกัน ้าดินน้ำลมไฟก็เันเหมือนกับส่วนประกอบเวลาเราทำขนมเราก็ต้องมีแป้งมีน้ำมีนมมี <c oughs> มีเนยมีน้ำตาลแล้วเมื่อเราเอามาผสมกันเราก็สามารถทำขนมชนิดต่างๆได้จะทำเป็นคุกกี้ก็ได้ แต่ทำเป็นขนมเค้กก็ได้มันก็มาจากวัตถุดิบอันเดียวกันแต่เมื่อเอามาปรุงแต่งเอามาผสมปรุงแต่งผ่านกรรมวิธีต่างๆเราก็จะได้ขนมในรูปแบบต่างๆฉันได้อาการ32เช่นผมขนแนะฟันหนังเนื้ อ, อนกระดูกนี้ก็เกิดจากการเอาทาาทั้งสี่ คือดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมปรุงแต่งให้เกิดเป็นอาการชนิดต่างๆเป็นอวัยวะชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ในการให้ร่างกายนี้อยู่ได้ให้ร่างกายนี้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ได้นี้ก็เพราะมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ ที่พอเพียงที่สมบูรณ์เมื่อถ้าร่างกายขาดธาตุสินธาตุาดายธาตุหนึ่งไปนี้ร่างกายก็จะเกิดอาการชำนุดทุดโทรมขึ้นมาทันทีเมืออาจจะถึงแก่ความตายได้อย่างรวดเร็วเช่นถ้าร่างกายตอนนี้ขาดธาตุลมถ้าไม่มีลมหายใจเข้าร่างกายนี้ก็จะตายทันที ถ้าขาดน้ำก็อาจจะตายเจ็ดวันหรือสิบวันถ้าขาดธาตุดินคืออาหารก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะเป็นเดือนนี่คือร่างกายมันเป็นของชั่วกราวเป็นของที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่และวันหนึ่งธาตุทั้งสี่นี้ ก็ตอนนี้ต้องแยกทางกันไปธาตุดินก็จะกลับสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็กลับสู่ธาตุน้ำธาตุมธาตุไฟก็กลับสู่ที่ธาตุงเขาพอลงพอเกิดการแยกธาตุออกจากกันร่างกายนี้ก็หายไป นี่คือสิ่งที่เรากำลังลุ่มหลงกันว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเราเป็นของเราผู้ที่มาลุ่มหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายโดยส่งกระแสการรับรู้ ที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันวิญญาณขันเนี่มามาเชื่อมต่อกับเอาวยอยายะทนะคือตาหูจมูกนิ้นกายก็มีอยู่เหมือนกับห้าห้าสายด้วยกันกระแสของวิญญาณมีอยู่ห้าสายที่มาเชื่อมต่อกับอยายะนะคือตาหูจมูกนิ้งกายก็ วิญญาณที่เรียกว่าจักขุวิญญาณก็มาที่ตาโสตวิญญาณก็มาที่หูวิญญาณที่รับรับกลิ่นก็มาที่จมูกวิญญาณที่รับรสก็มาที่ลิ้นวิญญาณที่รับสัมผัสที่มาสัมผัสทั่วทัวสพางร่างกายก็เรียกว่าพทาัพะ วิญญาณนี่แหละคือความจริงระหว่างร่างกายกับใจร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่มีชีวิตชีวามีการเจริญเติบโตมีการเกิดมีการเจริญเติบโต แล้วก็มีการแก่มีการตายไปในที่สุดแต่ต้นไม้ใบหญ้าหรือร่างกายนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเขาจเจริญเติบโตเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเพราะเขาไม่มีธาตุรู้ตัวในตัวเขาเขาาไม่มีการรับรู้ไม่มีความสามารถที่จะรู้อะไรสิ่งที่เขาสามารถรับได้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลธพา ที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายเช่นพอพอตาได้ไปเห็นภาพเห็นรูปก็มีผู้รู้มารับรู้อีกินผู้รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้รู้คือใจที่มีความสามารถที่จะคิดจะนึกจะคิดจะจดจะจำ แล้วก็มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกต่อรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายที่ทำให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาในในใจความสุขความทุกข์นี้ไม่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวทานานี้อยู่ที่ใจ เวลาที่เกิดภาพมาสัมผัสกับตาถ้าเป็นภาพที่น่าดูน่าชมก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นภาพที่ไม่น่าดูน่าชมก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวทนาคือความรู้สึกนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ที่ใจ ใจที่ไปรับรู้รูปที่น่าดูหรือรูปที่ไม่น่าดูพอรูปที่น่าดูก็เกิดสุขเวทนาแ ล, ล้วรูปที่ไม่น่าดูก็เกิดทุกขเวทนาเช่นเดียวกับเสียงเสียงที่น่าฟังก็เกิดสุขเวทนาเสีย SI งที่ไม่น่าฟังก็เกิดทุกขเวทนาเช่นเดียวกับ กลิ่นรสแร่พลพระอันไหนที่มันมันถูกมันมันดีมันให้ความสบายให้ความสุขมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาอันไหนมันให้ความทุกข์มันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแต่ร่างกายนี้ตัวมันเองไม่รู้อะไรเลยตาไม่รู้ว่ามันมองเห็นภาพอะไรเหมือนกับกล้องถ่ายรูปเนี่ย เรากล้องไปถ่ายอะไรนี้กล้องมันไม่รู้ว่ามันถ่ายอะไรแต่คนถ่ายนี่จะเป็นคนที่รู้เพราะคนถ่ายนี่มีใจผู้รู้ผู้รับรู้ร่างกายนี้มันไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิ้นมันเป็นเพียงภาชนะหรือเป็นเครื่องมือเหมือนกับกล้องหอเหมือนกับ ไมโครโฟนที่รับเสียงมันเพียงแต่เป็นผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภะแล้วก็ส่งมาให้ที่กระแสะวิญญาณก็วิญญาณนี้แหละเป็นผู้ที่รับลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภะเข้าไปสู่ที่ใจอีกทีนึงแล้วพอเข้าไปสู่ที่ใจแล้ว ก็เกิดทุกข์ทุกข์ขึ้นมาเวทนาขึ้นมาเกิดการจำได้หมายรู้ขึ้นมาพอสัมผัสกับอะไรที่เกิดทุกขเเวทนาพอครั้งต่อไปพอไปเจอสิ่งแบบเดียวกันอีกใจก็จะจำได้ก็จะรู้ว่าเป็นทุกขเขเวทนารู้ว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนา ใจก็มีสังขารถ้ารู้ว่าถ้าเห็นสิ่งนี้แล้วจะเกิดทุกขเวทนาบางทีก็ไม่มองดีกว่าไม่เห็นดีกว่าหลับตาดีกว่าเสียงก็เหมือนกันเวลาได้ยินเสียงที่เกิดทุกขเวทนามันจะจําได้จำว่าผู้ที่ผลิตเสียงนี้ให้ความทุกข์ก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่ที่จะหี ที่จะหลบที่จะไม่เผชิญกับสิ่งเหล่านี้สังขารก็เป็นตัวที่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวถ้าเห็นรูปที่ถูกใจก็สั่งให้ร่างกายเข้าใกล้เข้าไปเอารูปนั้นมาครอบครองเช่นเห็นคนที่เราชอบใจก็จะสั่งให้ร่างกายไปอยู่ใกล้ๆคนที่เราชอบ เราเวลาอยู่ใกล้ๆกับคนที่เราชอบแล้วเราจะมีความสุขใจแล้วถ้าเราไปเห็นคนที่เราไม่ชอบเราก็จะสั่งให้ใจอย่าสั่งให้ร่างกายอย่าเข้าใกล้คนที่เราไม่ชอบถ้าหลบได้ก็หลบถ้าหลีกได้ก็หลีกแต่ปัญหาเกิดขึ้นตอนที่ถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ต้องเจอจะทำยังไงถ้าไม่รู้จักวิธี ถ้าไม่มีธรรมะมาสั่งสอนให้ใจรู้จักวิธีรับกับสิ่งที่ไม่ชอบใจก็จะทุกข์ใจก็จะไม่สบายใจถ้าต้องอยู่ใกล้กับคนที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเราอยู่ใกล้กับคนที่เราชอบนี้เราไม่เดือดร้อนเราสบายใจเรามีความสุขใจทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่คนที่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบก็มีอาการ32เหมือนกัน มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่อยู่ที่รูปร่างหน้าตาเขาเพียง อ, อย่างเดียวอาจจะอยู่ที่พฤติกรรมของเขาอยู่ที่การกระทำของเขาคนที่เขาที่เราชอบเขามักจะทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขส่วนคนที่เราไม่ชอบนี้เขามักจะทำในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เช่นทุกตีเราว่าด่าเราอย่างนี้ หรือทำเอาเข้าวของเงินทองของเราไปอันนี้ใจจะจดจำได้คนคนนี้ว่าเป็นคนที่ถูกใจหรือเป็นคนที่ไม่ถูกใจและเวลาเจอคนที่ถูกใจก็อยากจะอยู่กับคนที่ถูกใจแต่ถ้าไม่สามารถอยู่กับคนที่ถูกใจได้เขาต้องไปเขาไม่มาอยู่กับเราเราก็เกิดความทุกข์ใจน เป็นเดียวกับเวลาที่เราเจอคนที่เราไม่ถูกใจแต่เราไม่อยากจะอยู่กับเขาแต่เขาก็อยู่กับเราเราอยากให้เขาไปเราอยากจะไม่อยู่กับเขาเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้แหละเป็นสิ่งที่เกิดจากความอยากของเรานั่นเองอยากได้สิ่งที่เราชอบพอเราไม่ได้สิ่งที่เราชอบเราก็ทุกข์ใจอยาก อยากไม่ให้สิ่งที่เราไม่ชอบเข้าใกล้เรา هم, พอเราไม่สามารถอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เราไม่ชอบได้ <pastry. S 1> ต้องอยู่ใกล้กับสิ่งที่เราไม่ชอบก็<พ>เกิดความทุกข์ใจขึ<ม>้นมาอันนี้เป็นความทุกข์ที่ต่างจากความทุกข์ที่เกิดจากการได้เห็นสิ่งที่เราไม่ชอบเ<ม>บื้องต้นเราเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบแลว้วก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา แล้วพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็อยากจะให้ทุกขเวทนานี้หายไปเราก็คิดว่าวิธีที่จะทำให้ทุกขเวทนาหายไปก็คือต้องไม่ไปเห็นหรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบแต่พอเราไม่สามารถทาได้เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นไวกกันอันนี้ความทุกข์นี้เกิดจากความอยาก อยากได้หรืออยากไม่ได้เวลาได้สุขเวลาเจอสิ่งที่ให้ทำให้เกิดสุขเขาเวทนาก็อยากจะให้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะอยู่กับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าพอไม่ได้หรือพอพอสิ่งนั้นจากเราไปเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้าเราเฉยๆได้ าเรารู้จักทำใจเฉยๆได้ทำใจเวลาเห็นเห็นอะไรแล้วทำให้เกิดสุขเวทนา mm. ก็เฉยๆอยากไปอยากได้เวลาเห็นอะไรแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา mm. ขึ้นมา mm. ก็อยากไปอยากจะหนีมันหรืออยากจะอยากจะให้สิ่งนั้นหายไปให้อยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆจะไม่มีทุกขใจ จะมีแต่สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่รุนแรงตอ่อต่อจิตใจไม่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปนั่นมันเป็นสิ่งที่วางทีเราก็ห้ามมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ ไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่มีความอยากกับมันนี่คือความทุกข์ของของใจความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเวลาที่ได้ไปสัมผสัสรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไปสัมผสัสกับสิ่งที่ทาให้กสุขเวทนา ก็อยากจะได้อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราเป็นนานๆพอสิ่งนั้นไม่อยู่กับเราพอจากเราไปก็ทำให้เราเศร้าใจเศร้าโศกเสียใจถ้าไปเจอสิ่งที่เราไม่อยากสิ่งที่ให้ทุกขเวทนากับเราคือให้ความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราเราก็จะรู้สึกเราก็อยากอยากให้สิ่งนั้นหายไปพอสิ่งนั้นไม่หายไป ใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ใจเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ได้คือเราถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากความอยากได้หรืออยากไม่ได้ของเราเราก็ต้องมาสอนใจอยากไปอยากได้หรืออยากไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะให้ใจของเราทุกข์ส่วนเรื่องของสุขเวทนาทุกขเวทนาคือความรู้สึก ที่สุขหรือความรู้สึกที่ไม่สุขความรู้สึกที่ทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพ่าต่างๆนี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนาตตาเราไปควบคุมรูปเสียงต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกายเราไม่ได้เห็นตอนนี้เรามีเสียงอะไรเข้ามาี่ มีเสียงเราเสียงพระพูดให้ฟังแล้วก็มีเสียงนกร้องมีเสียงลมพัดมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาเสียงเหล่านี้เราไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้แล้วเวลาเราได้ยินเสียงเหล่านี้บางทีก็ทําให้เกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาบางทีก็เกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาบางทีก็รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมา ถ้าใจเราไม่ได้ไปมีอะไรกับเขาไม่ได้มีความอาคติไม่มีความรักความชังเขาแล้วใจเราจะไม่ทุกข์สาเหตุที่ใจเราทุกข์เรามักจะไปมีอคติไปรักไปชังกับสิ่งที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็พยายามที่จะไปแก้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามที่เราต้องการ ซึ่งบางทีเราก็ไม่แก้ไม่ได้คำจัดไม่ได้หรือเอามาให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ไมันก็เลยสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรามีความรักความชังมีอคติไม่วางไม่วางใจเป็นกลางเฉยๆดฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจของเราเนี้ยที่ต้องมาสุขมาทุกข์กับสิ่งต่างๆ ที่ใจมาสัมผัสรับรู้ผ่านทางร่างกายนี้เราก็ต้องฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักวางเฉยให้ให้ยุติทุกขติทุกขติอักขติทั้งสี่คือรักชังกลัวหลงอคตินี้เกิดจากใจที่ไม่สงบนิ่งพอใจไม่สงบนิ่งใจก็จะ คิดปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆคิดไปชอบกับเวทนาคิดไปไปชอบสุขก็เวทนาไม่ชอบทุกข์ก็เวทนาแล้วก็เลยเกิดตันหาความอยากขึ้นมาสุขก็เวทนาก็อยากให้อยู่นานๆทุกข์ก็เวทนาก็อยากจะให้ใ ห, ให้หมดไปให้หายไปทันที แต่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนสุขเวทนาทุกเวทนาได้ตามความต้องการของเราเสมอไปบางครั้งบางเวลาเราก็อาจจะทำได้แต่บางเวลาเราจะทำไม่ได้พอเราไปเจอเวลาที่เราทำไม่ได้นียก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามาสอนใจมาฝึกใจให้อย่าไปมี อคติอย่าไปลักไปชังอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นให้อยู่เฉยๆดีกว่าป<ม>กติใจเราไม่อยู่เฉยๆเพราะใจของเรานี้ถูกกานาจของโมหะความหลงความอยากมันคอยผลักดันใจให้ไปหาสุดพเมทนา ผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆที่ทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมานี่คือความหลงของใจเราคี่ว่านี่คือวิธีการทำให้ใจมีความสุขใจจะมีความสุขใจจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆมาให้เสริมแล้วก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่ ให้ที่เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแต่ใจนี้ขาดปัญญาขาดความฉลาดไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่พลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารูปเสียงกลิ่นรสพุทะที่ให้สุขเวทนานี้ก็สามารถพลิกไป กลายเป็นรูปเสียงกิ่นรสผลทพะที่ให้ทุกเวทนาก็ได้หรือให้รูปเสียงกิ่นรสผลทพะที่ให้ความสุขก็เวทนานี้หายไปก็ได้นี่คือธรรมชาติของรูปเสียงกิ่นรสผลทพะมันเป็นอนิจจังมันเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็เกิดแล้วบางทีก็หายไป ถ้ามันเป็นสิ่งที่สร้างสุขเวทานาให้กับเราเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราให้สุขให้สุขเวทานากับเราไปเรื่อยๆแต่เวลามันหมดไปหรือเวลามันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลานั้นก็จะทำให้เกิดความเศร้าใจขึ้นมาความทุกข์ใจขึ้นมา น, นี่คือสิ่งที่พวกเราจะไม่รู้กันเลย ถ้าเราไม่ได้มาเจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรามาแก้ปัญหาของใจเรามันจะแก้ความทุกข์กของใจเราความทุกข์ของใจเรานี้เกิดจากความหลงเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าใจจะมีความสุขได้ต้องมีสุ ข, ขเวทนาที่ที่เกิดจากการสัมผัสของ ตาหูจมูกลิ้นคายกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วก็ให้ใจนี้สั่งร่างกายให้ไปเอารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่ให้ความให้สุขเขาเวทนานี้ให้เอามาสะสมไว้มากๆให้มาเก็บไว้มากๆได้ทลายยิ่งดีเพื่อใจจะได้มีความสุขอยู่เรื่อยๆแต่ของเหล่านี้ มันเป็นของที่เปลี่ยนได้มันทําให้เกิดค ว, ความรู้สึกที่เราได้จากของเหล่านี้มันเปลี่ยนได้ mm hmm. เช่นเวลาเราได้ของใหม่ๆนี้เราจะมีสุขเวทนามาก mm hmm. แต่พออยู่กับมันไปสักพักมันยังไม่ทําเปลี่ยนเลยแต่สุขเวทนาที่เราเคยได้จากมันนี้มันไม่รู้หายไปไหน mm hmm. เห็นมาแล้วก็รู้สึกเฉยๆขึ้นมา เลยต้องต้องไปหาชิ้นใหม่ได้ได้ชุดได้เสื้อผ้าชุดนี้เวลาได้มาใหม่ๆโอ้โหมีความสุขแต่พอพอได้มาสักไม่นานดูมันแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยแล้วไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่ไปซื้อมาจากร้านใหม่ๆก็เลยต้องไปไปดูที่ร้านใหม่ไปดูชุดใหม่ เพราะยังอยากจะได้ความสุขเหมือนกับคราวที่แล้วคราวที่ได้ความสุขจากชุดที่แล้วถ้ามีกำลังซื้อก็จะซื้อตะ บ, บ้านหันแหลกวันนี้ซื้อแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ซื้อพอพรุ่งนี้ความสุขที่ได้จากสิ่งที่ซื้อมันหายไปก็ต้องออกไปหาซื้อของใหม่คนเราจะมีของเต็มตู้เต็มบ้านไปหมดยิ่งมีเงินมากยิ่งมีของมาก แล้วของเหล่านี้พอพอได้มาแล้วมันกลายเป็นอะไรไปมันกลายเป็นภาระไปแล้วเสียต้องมาคอยรักษามันคอยดูแลมันคอยป้องกันมันต้องเสียเงินเสียทองมาคอยรักษามันเองทั้งทั้งที่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้มันเพราะว่าไม่รู้จะมันมันใช้ครั้งเดียวมันก็เบื่อแล้วต้องใช้อย่างใหม่อีก คนที่รล่ารโดยบางคนนี่มีรถเป็นสิบสิบคันทั้งๆที่เวลาใช้รถก็ใช้ได้ทีละคันแต่พอเห็นรถใหม่ที่ตนเองไม่มีก็เกิดความสุขใจอยากจะได้ขึ้นมาเวลาได้มาใหม่ๆก็เกิดความสุขใจพอได้มาแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปซื้อคันใหม่หมาอีก แล้วนี่นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกนิ้งกายของเราว่ามันเป็นของที่ไม่ให้ความสุขอย่างกับเราได้ตลอดเวลามันเป็นของแบบความสุขแบบชั่วคราวความสุขแบบควันไฟพอความสุขที่ได้จากมันหมดไปเราก็ไม่สนใจมันละเราก็ไปหาของใหม่ แต่ของเจอาที่เราได้มาเราก็ยังหวงอยู่เรายังรักอยู่ทั้งๆ ท, ที่มันก็ไม่ได้ให้ความสุขอะไรกับเราแล้วแต่เราก็ยังเสียดายมันอยู่แล้วเวลาที่มันหายไปหรือมันหมดไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นใหม่เพราะความเสียดายของเราของที่เราคิดว่ามันให้ความสุขกับเราพอเราได้มาจริงๆแล้วมันให้ความสุขเราในตอนต้นเท่านั้นเอง แล้วหลังจากนั้นไม่นานมันก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์ที่ใจเราจะต้องมาเป็นภาระดูแลรักษามันแล้วเวลาที่มันจากเราไปมันก็จะทำให้เรารู้สึกเศร้า อ, อกเศร้าใจเสีย อ, อกเสียใจหรือโกรธแค้นโกรธเคืองผู้ที่มาเอาสิ่งที่เรารักไปเราหวงไปนี่แหละนี่คือการหาความสุข แบบโมหะอาวิชชาแบบแบบความหลงแบบความไม่ฉลาดเพราะไม่รู้ธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผธพระว่ามันเป็นของที่ให้ความสุขเราได้ชั่วคราวเป็นความสุขแบบค่อนไฟมันไม่ได้เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรได้ตั้งคือไม่มีวันสิ้นสุดได้ความสุขจากมันตั้งแต่วันแรก แล้วก็จะได้ความสุขจากมันในวันที่สองในวันที่สามไปเรื่อยๆแล้วจะทำให้เรานี้มีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอถ้าเรามีความสุขจริงแล้วความสุขนั้นมันไม่หมดไปเราก็จะมีความพอขึ้นมาที่เราไม่มีความพอเพราะว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้มันหมดไปความสุขที่มันให้เรามันหมดไปทั้งๆที่ของมันยังมีอยู่แต่ความสุขที่ได้จากมันนี้มันหมดไป เหมือนกับผ ล, ลไม้เช่นส้มอย่างนี้เราเอามาคั้นเอาน้ามันมาดื่มเราคั้นมามาดื่มแนละ้วตัวส้มมันก็ยังอยู่แต่ตัวส้มมันไม่ได้ให้ความสุขกับเรแล้วเราก็โยนทิ้งไปเราก็ไปหาส้มใหม่มามาคั้นใหม่ม า, มาบีบเอาน้ามาดื่มมันใหม่อันนี้ก็เหมือนกันของต่างๆที่เราได้มาก็เราก็บีบเอาความสุขจากมันมา เรเบียดความสุขออกมาปั๊บมันก็ไม่มีความหมายแล้วมันต่อไปมันก็ไม่ได้ให้ความสุ ข, ขกับเราเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆในครั้งแรกแต่เราก็ยังรักยังหวงอยู่เพราะเราไปหลงคิดว่ามันยังจะให้ความสุ ข, ขกับเราอยู่แต่ความจริงแล้วใจเราไม่ได้มีความสุขกับมันมากเหมือนตอนที่เราได้มันมาใหม่ๆถ้ามันให้ความสุขกับเรามากเหมือนตอนที่เราได้ ม, iest, ามาใหม่ๆ เราก็ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นมาให้ความสุขกับเราอีกเพอสิ่งนี้ให้ความสุขกับเรานี้มันความสุขที่ให้เรามานี้มันจางหายไปมันก็ทําให้เราต้องไปหาความสุขอย่างอื่นมาทดแทนเยเราถึงเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆพอได้เห็นอะไรก็เกิดความสุขเห็นไปสักพักก็จะเกิดเพราะความเบื่อแล้วเบื่อก็ต้องไปหาอย่างอื่นหาอะไรฟังเ พอฟังเนาะเบื่อก็อไปหาอะไรกินหาอะไรดื่มมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราได้มาแล้วไม่ช้ากันเลยมันก็จะทําให้เราเบื่อมันด้ทําให้เรามีความสุขเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆอาหารที่เราชอบเนี่ยถ้าเราให้กินทุกวันวันละสา ม, มื้อเนี่ยจะกินได้สักกี่วันกินไม่เกินสิบวันก็เบื่อแนละ้วยากยากกินอย่างอื่นแทนนะ เราได้กินอาหารอิ่มแล้วเราก็อยากจะทำอย่างอื่นต่อแล้ว mm hmm. อยากจะไปเล่นไปเที่ยวไปเล่นเกมไปทำอะไรต่อ mm hmm. ต้องคอยหาความสุขมาคอยเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ mm hmm. คือสรุปแล้วคือความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาน mm hmm. จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นความสุขเดียวเดียวมันไม่ได้ให้ความสุขแบบถาวรได้แล้วก็สุขไปตลอดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด มันไม่มีมันถึงทำให้เราต้องดิ้นลนอยู่เรื่อยๆดิ้นหาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแล้วบางทีเราก็แทนที่จะไปเจอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็ไปเจอสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับความทุกข์ของเรากับเรานี่บางทีมันปนกันอยู่ในโลกนี้เดินอยากจะไปหาคนที่ให้ความสุขกับเราบางทีก็ไปเจอคนที่เ้าให้ความทุกข์กับเรา แทนที่จะได้ความสุขกับจะต้องเจอความทุกข์อีกก็โดยสรุปก็คือพระเจ้าบอกสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้มันต้องให้ความทุกข์กับเราด้วยไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไม่อยากจะได้ความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้เราก็อย่าไปหามันสิถ้ามันเป็นเหมือนกองทุกข์เหมือนเหมือนกองไฟ ถ้าไปเข้าใกล้แล้วมันทำให้เราร้อนกองไฟนี่มันเข้าใกล้แล้วมันทําให้เราร้อนทําให้เราทําให้เราถ้าอยู่ใกล้มากๆมันก็เผาเราได้เผาร่างกายเราได้ทันในลูกเสียงกลิ่นรสผลทพ้าชนิดต่างๆนี้มันก็เป็นของร้อนมันมันเป็นทุกข์แต่มันมันมีความสุขหุ้มห่ออยู่ เมือนยาขมที่เคลือบน้ําตาลเนี่ยยาขมนี่มันถ้าให้ให้กินโดยที่ไม่มีน้ําตาลเคลือบนี้จะกินไม่ลงเราเลยต้องเคลือบน้ําตาลไว้ก่อนเวลากินจะได้คิดว่ากินน้ําตาลไม่ได้กินของขมถึงจะเกินเข้าได้ถ้าเอาของขมนี้ม า, มาแตะกับลิ้นปั๊บนี่มันจะคายออกทันทีแต่น้ําตาลที่เคลือบไว้ก็เคลือบไว้บาง พอให้กลืน่นพอให้เข้าปากแล้วเกลื่อนเข้าไปได้ทั้งนึงถ้าอมไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องคายทิง้งพอน้ามันที่เคลือบมันขายไปลดของความขมมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าหบแล้วสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยความจริงมันเป็นความสุขแบบผิวผิวบางๆงที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้นั่เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเจอกับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามอย่าเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้<ม>ต้องสำรวมตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>อย่าส่งตาหูจมูกนิ้กายให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสให้ไปหาวิธีเสพความสุขอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่า ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบที่เรียกว่าสมาธินี่เองถ้าเราสามารถฝึกจิตให้นิ่งเฉยได้ให้หยุดคิดปรุงแต่งได้ใจเราก็จะผลิตความสุขขึ้นมาแล้วความสุขแบบนี้มันจะอยู่กับใจไปเรื่อยๆ อ, อยู่กับใจไปนานๆแล้วก็จะไม่มีพิษมีภัย ไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรมีแต่ให้ความสุขเพียงอย่างเดียวถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขของใจได้ความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราก็จะเริกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผุดถพาพะได้รูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้พะเวลานี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดถึงแม้เรารู้ว่ามันให้ความทุกข์กับเราแต่เวลาเราอยากขึ้นมานี้มันทุกข์ยิ่งกว่า ทุกข์ที่เราได้จากยาเสพติดเราก็เลยต้องดิ้นไปหายาเสพติดมาเสพเพื่อจะได้บรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากของใจแต่มันก็บรรเทาได้ชั่วคราวเดี๋ยวพอพอหยุดหยุดเสพเมื่อไหร่ความสุขที่ได้จากยาเสพติดมันก็จะหมดไปแล้วมันก็ทำให้ใจเกิดความอยากที่จะเสพอีกพอเกิดจากความอยากมันก็เกิดความทุกข์ ที่ทรมานใจเพราะเกิดความทุกข์ที่ทรมานใจก็เลยต้องต้องไปเสพเองก็จะติดอยู่กับยาเสพติดนี้ไปจนวันตายซึ่งจะตายเร็วกว่าธรรมดาเพราะยาเสพติดนี้มันมีอันตรายต่อร่างกายฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสผู้ะภัพมันก็เป็นเหมือนยาเสพติดงแต่ว่ามันอาจจะไม่ทำลายร่างกายให้ถึงแก่ความตายเหมือนยาเสพติด แล้วแต่ว่ารูปเสียงกิ่นรสแบบไห น, นรูปเสียงกิ่นรถที่เป็นภัยเป็นอันตรายก็ทำให้ตายได้ <kaha. S 1> คืออาจจะทำให้คนที่เสพนี้ฆ่าตัวตายเองก็ได้เวลาต้องสูญเสียสิ่งที่อยากได้ไปสิ่งที่รักที่ชอบไปแล้วทำให้อยู่อยู่ตามนำพังไม่ได้อยู่แล้วเศร้าส้อยไงเสมเศร้าเกิดอาการซสรมเศร้าขึ้นมาก็ อาจจะอยากจะฆ่าตัวตายก็ได้ <c oughs> นี่คือภัยของรูปเสียงกิ่รถดผลเถพะให้เราพยายามเลิกเลอกหาความสุขจากมันดีกว่าให้เรามาเปลี่ยนหาความสุขจากการทําใจของเราให้สงบดีกว่าเพราะการทําใจของเราให้สงบนี้เราจะได้ความสุขที่เป็นธรรมชาติของใจ ใจนิ่งสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาใจไม่สงบก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้ใจเราสุขไม่ฟุ้งซ่านไม่หิวโหยเราก็ต้องพยายามฝึกสติควบคุมความคิดให้ได้สตินี้เป็นความสามารถของใจที่เราจะเอามาใช้หยุดความคิด ที่ทำให้ใจเราฟุ้งซ่านที่ทําให้ใจเราโลภตัวอยากได้สิ่งต่างๆที่ทําให้ใจของเราไม่มีความสุขที่ทําให้ใจของเราทุกข์ได้เราต้องมีสติสตินี้เป็นตัวที่จะมาหยุดความคิดต่างๆทำให้หยุดความอยากต่างๆหยุดความโลภต่างๆหยุดความหิวโหยต่างๆได้สตินี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใจอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้ถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบเดี๋ยวก็ต้องทนอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องดิ้นไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดท่าาแล้วก็ต้องไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่สุขบ้างที่ทุกข์บ้างพอเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ทุกข์ก็ขาดทุนคิดว่าจะไปหาความสุขเอากลับไปเจอความทุกข์ซิ งั้พยายามตัดการไปหารูปเสียงกลิ่นรดให้ได้จะดีกว่าด้วยการพยายามมาเพียรสร้างสติให้มากๆสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์ที่วิ่งนี้เป็นเหมือนความคิดความคิดที่มันวิ่งไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาอารมณ์นี้ สร้างความโลภความอยากขึ้นมาสร้างความโกรธขึ้นมาพอสร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความอยากใจก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาพอร้อนขึ้นมาบางทีก็ต้องระบายออกไปด้วยการพูดด้วยด้วยการกระทำที่ไม่ดีแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนอื่นดีไม่ดีก็ถึงกับฆ่าฟันกันตายกันซี่ก็มี เพราะว่าไม่สามารถควบคุมใจของตนเองได้ไม่สามารถควบคุมใจให้นิ่งให้เย็นไม่ให้เกิดอารมณ์วู่วาบขึ้นมาได้เพราะเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีใครสอนให้ฝึกสติกันให้เจริญสติให้ติดเบรกให้กับใจสตินี่แหละเป็นเบรคที่จะหยุดความคิดต่างๆหรือชะลอความคิดต่างๆให้น้อยลงความคิดน้อยลงมันก็จะใจก็จะปลอดภัยมากขึ้น เหมือนกับรถที่วิ่งช้าลงมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นกว่ารถที่วิ่งเร็วรถวิ่งเร็วนี้เวลาที่เกิดเหตุกระทันหนันนี้อาจจะไม่สามารถควบคุมรถได้อาจจะต้องไปชนกับรถอื่นหรืออาจจะต้องตกถนนพลิกคว่ำไปก็ได้แต่ถ้าขับรถให้วิ่งช้าๆนี่มันจะปลอดภัยโอกาสที่เวลาเกิด สิ่งที่กระทันหันขึ้นมาก็อาจจะสามารถแก้ไขทันท่วงทีได้หรือหยุดลดได้ <Yeah. S 1> เพราะรถวิ่งไม่เร็ว <Yeah. S 1> แต่ถ้ารถวิ่งเร็วๆนี้เกิด <Yeah. S 1> เหตุกระทันหันขึ้นมานี้บางทีหยุดไม่ทันนไม่ชนก็ต้องพลิกความไปอย่างใดอย่างหนึง่ง <Yeah. S 1> ฉันใดจิตใจของเราก็เหมือนกับรถยนต์เนี่ย <Yeah. S 1> เราไม่มีเราไม่มีเบรกมีแต่คันเร่ง ทันเร่งก็คือโมหะอวิชชาความหลงเนี่ยเป็นตัวเร่งเร่งให้เราไปหาความสุขกันไม่ได้สอนให้เราอยู่นิ่งๆเฉยๆสอนให้เราไปพอลืมตาขึ้นมาก็สอนให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพนะอยากดื่มนั่นอยากกินนี่ดื่มเสร็จกินเสร็จก็อยากไปที่นู่นอยากจะไปที่นี่ไม่อยากจะอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วมันไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้เสพเนี่นมันจะคอย เป็นคันเร่งคอยผลักดันใจของเราให้คิดหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆ ต, ตลอดเวลาเนี่ยเราถึงต้องอาศัยคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนว่าเราต้องมาหยุดคันเร่งกันเราต้องมาหยุดความโลภหยุดความอยากกันเพราะความโลภความอยากนี้มันจะสร้างความร้อนให้กับใจแล้วมันจะทำให้ใจนี้ต้องดิ้นรน แล้วก็ต้องไปมีปัญหากับบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆ ต, ต, ต, ต่อไปเพราะเราเมื่อเราอยากได้อะไรถ้าไปเจออุปสรรคใครมาขวางกัน้นเราก็จะต้องหาวิธีกำจัดเขาเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากแล้วถ้าเขารู้ว่าเราจะมากำจัดเขาเขาอาจจะมากำจัดเราก่อนก็ได้มันก็เลยอาจจะทำให้ต้องเกิดการต่อสู้กัน เกิดการฆ่าฟันกันเกิดการทุบตีกันการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลธธิ่นรสผลิภัณ์นี้เป็นสิ่งที่มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่ความทุกข์ความสุขที่ได้มาก็เป็นความสุขเดียวเดียวได้มาหมดแล้วมันไม่อิ่มไม่พอก็ต้องไปหาใหม่หามาได้กี่ครั้งก็ไม่อิ่มไม่พอก็ต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปเจอปัญหาต่างๆเจอ จะ เ, เรื่องราวมีเรื่องเวลากับคนนั่นกับคนนี้นี่คือเพชรัยของการที่ไม่รู้ความจริงของของรูปเสียงกิ่นรถผลตภาว่ามันเป็นเหมือนกองไฟเป็นเหมือนเป็นกองทุกเราอยากเข้าไปหามันไม่มีใครบังคับเราให้ไปหามันเราไปหามันเองเพราะความหลวงหลงไปเห็นว่ามันเป็นกองสุขได้รูปเสียงกิ่นรสที่เราชอบแล้วเราจะมีความสุข แต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบมันมักจะไปปนอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบด้วยบางทีแทนที่ได้รูปเสียงกลิ่นรสผุดผัสที่เราชอบกลับไปได้รูปเสียงกลิ่นรสผุดผพสที่เราไม่ชอบอีกแล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยปัญหาของเราทุกวันเนี่ยทุกข์กับอะไรทำให้ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็คือร่างกายของเราเองที่เป็นเครื่องมือ การที่เราจะหาลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือคือเราก็ต้องมีตาหูจ ม, มูกลิ้นกายแต่ตาหูจ ม, มูกของลิ้นกายของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันไม่ใช่ว่ามันจะดีไปตลอดตั้งแต่เกิดมาจนตายบางเวลามันก็มีปัญหาขึ้นมาได้ตาก็มีปัญหาได้เขาถึงต้องมีหมอตากันหูก็มีปัญหาขึ้นมาได้ลิ้นจ ม, มูกนี้มันมีปัญหาขึ้นมาได้อวัยวะต่างๆของร่างกาย ที่เราเอามาใช้ในการที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็มีปัญหาได้บางทีเท้าก็อาจจะเสียได้แขนก็อาจจะเสียได้ลิ้น เ, เล็บนิ้วนิ้วก็อาจจะเสียได้เครื่องของพวกนี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่เราเอามาใช้ในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัตัวเครื่องมือเองมันก็มีปัญหามันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันก็มาสร้างความกังวลให้กับเราได้กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายของเราพอาไหนร่างกายของเราเริ่มมีอาการรู้สึกไม่คดีนี่มันก็ทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมานะอีกนะพอเรารู้ว่าถ้าร่างกายมันไม่ไม่สบายขึ้นมานี้เราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้น ะ, ะช่วงนั้นเราก็ต้องอยู่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาล รักษาเหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้อยู่พอมันเสียก็ต้องเอาเข้าอู่ช่ว<ม>งที่ไม่มีรถยนต์เราก็ไปไหนมาไหนไม่สะดวก<ม>แต่อย่างน้อยรถยนต์นี้เรายังพอหาร ถ, รถยนต์มาแทนได้เช่นอาจจะมีรถเช่าหรืออู่้า อ, อาจจะมีบริการรถให้เราเอาไปใช้แทนตอนที่รถเราเอาเข้าอู่ก็ได้แต่ร่างกายนี้มันเช่าร่างกายคนอื่นไม่ได้ เวลาร่างกายของเราเสียเวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องเข้าอู่เข้าโรงพยาบาลช่วงนั้นจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสก็ไม่ได้อืก็ต้องก็ต้องทุกไปจนกว่าที่ร่างกายนี้จะกลับมาเป็นปกติแล้วที่สามารถที่จะไปหาความสุขต่อไปได้ซึ่งบางทีก็ไม่ปกติแล้วพอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถึงแม้จะหาย มันก็ไม่เหมือนเดิมนะความสามารถที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นลดมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ได้มันมีขีดขีดจํากัดเพิ่มขึ้นมาความสามารถมันลดน้อยลงไปเนื่องจากสมถภาความแข็งแรงของร่างกายมันก็เริ่มถดถอยไปเรื่อยๆตามอายุ ข, ของมันนี่คือเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราลองไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดปวดพพะ แล้วก่อนที่เราจะได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภาัพมาเราก็ต้องไปทุกกับการไปหาเงินทองอีกเพราะถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็จะไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพที่ที่ให้ความสุขกับเราไม่ได้เห็นเสื้อผ้าสวยๆอยากจะได้แต่ถ้าไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้เห็นร้านอาหารพัตคารมีอาหารเร็ออร่อยให้กินให้ดืม่มถ้าไม่มีเงินก็ไปกินก็กินไม่ได้ ดนั้นก่อนที่เราจะไปเสพ ร, รูปเสียงกงกฤนลดโภชภได้เราก็ต้องไปดิ้นรนกับการหาเงินหาทองอันเองและเงินทองมันก็ไม่ใช่เป็นเหมือนน้ำฝนที่ตกลองอมาจากฟ้าแล้วเราก็มารองรับกันได้เงินทองนี้ก่อจะหามาได้ทักบาทมันไม่ใช่ของง่ายต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลองไปถามคนที่เขาทำงานด้วยด้วยแรงงานดูเล ก, กรรมกรที่เรียกว่าผู้ใช้แรงงาน เงินเดือนก็ไม่มากเงินเดือนขั้นต่ําแค่ได้แค่ค่าแรงขั้นต่ํามร้อยบาท350ร้าสิเลยก่าจะได้เงินมาที่ต้องเด็ดเงินอย่างน้อยก็8ปดชั่วโมงแล้วเงินทางส่วนหนึ่งก็ต้องแบกเอามาเลี้ยงร่างกายดูแลร่างกายจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วถ้าให้สบาย ก็ต้องจ่ายค่ายาหรือถ้าไม่เช่นนั้นเขาก็เขาก็เขาก็หักไว้เป็นสวัสดิการเผื่อเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีเงินสวัสดิการม า, ารดูแลเาฉะนั้นวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงนี้เงินที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้อาจจะได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นนี่คือความยากลำบากความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราจะไป หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลท่าพเราโชคดีเนี่ยไม่มีไม่มีใครสอนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนพวกเราว่าให้เรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขนี้กวิหาความสุขที่จีรังยั่งยืนที่จะอยู่กับใจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่้ไม่ต้องไม่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องหาเงินหาทอง ไม่ต้องไปหาลูปเสียงกิจลรสต่างๆเพียงแต่มาฝึกใจทำใจเราให้นิ่งให้สงบเท่านั้นเองถ้าใจของเราจะนิ่งจะสงบได้ก็ต้องมีเบรกของใจเบรคของใจก็คือสติถ้าตอนนี้เราทำใจให้นิ่งไม่ได้หยุดคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีเบรกมีก็อาจจะมีนิดเดียวอาจจะหยุดคิดได้เพียงแค่วินาทีสองวินาทีเช่นตอนนี้กาลังคิดอะไรก็สั่งอ้าอย่าคิด ลองนั่งดูสิว่าจะหยุดคิดได้นานเท่าไหร่เพราะบอกอย่าหยุดคิดเมื่อพอหยุดคิดปั๊บเดี๋ยวเผลอแวบไปแล้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นะเพราะสติเรามีน้อยมากมีพอที่จะควบคุมความคิดให้คิดไปในสิ่งที่จําเป็นได้จนให้คิดวิธีทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคิดวิธีเลี้ยงดูร่างกายของเราเนี่ยก็ ควบคุมบังคับให้มันคิดแต่เรื่องเหล่านี้ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าจะให้มันหยุดคิดนี่มันยังไม่มีกำลังพอถ้าเราอยากจะหาความสุขรูปแบบใหม่หาความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดของใจการทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบนี่เราต้องมาฝึกสติกันมาสร้างสติกันสร้างเบรคของใจวิธีสร้างเบรค ข, ของใจก็คือการใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์ ยึดเหนี่ยวจิตใจกรรมฐานนี้ก็คืออารมณ์ที่เราสามารถที่จะเอามานึกถึงเช่นพุทธานุสตินี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเกิละการละลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการละลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าเราก็นั่งละลึกภายในใจไปพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไป ความคิดที่เราเคยคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้มันจะไปไม่ได้แล้วมันจะต้องมาอยู่กับพุทโธพุทโธแทนแต่ใหม่ๆมันก็ยังววบไปได้อยู่เพราะพุทโธเรายังไม่ยังไม่มีกําลังพอพุทโธได้สองสามครั้งเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะทั้งที่ก็กำลังพุทโธอยู่ด้วยพุทโธอยู่ด้วยแต่มันก็ยังแับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ได้ใหม่ๆมมันจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็อย่าย่อท้อ เราต้องมีความอดทนมี้องมีความเพียรพยายามเพราะมันไม่ใช่การฝึกพุโทโธแค่แค่แค่ชั่แค่นาทีสองนาทีแล้วจิตมันจะหยุดคิดได้ ท, ทันทีมันต้องพยายามพุโทโธไป ย, วยาวนา น, น, านอาจจะต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็ไปหาเลยถ้ามีเวลาว่างไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับงานการไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใคร ไปหาที่สงบวิเวกอยู่คนเดียวตามวัดปฏิบัติต่างๆดูแล้วก็ไปหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปคอยพุทโธอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจคิดเอามันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไม่ว่าเราทำอะไรก็พุทโธไปกับสิ่งที่เราทำอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดคิดถึงคนนี้ ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างให้คิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไปในใจพยายามฝึกไปใหม่ๆมันก็อาจจะลม้มลุกคุกคานพุโทโธแล้วก็หายพุโทโธแล้วก็เผลอพุกโธแล้วก็ลืมแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอรู้ว่าเรากําลังเผลอเราก็กลับมาหาพุโทโธใหม่พยายามดึงกลับมาเรื่อยๆใหม่ๆมันจะถูกความคิดดึงไปความคิดอย่างอื่นดึงไปแต่ถ้าเราพยายามว่าหน้าที่ของเราในขณะนี้คือการ เราลึกถึงพุโทโธเราต้องการมีเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้จิตใจหยุดคิดถ้าเราไม่มีเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจเช่นพุโทโธพุธโทโธนี้ใจมันจะคิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากแล้วใจก็จะร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถคอยควบคุมความคิดได้ไม่ให้ไม่ให้มันอยากไม่ให้มันโลภได้ใจก็จะเย็นใจก็จะสบายได้ เราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราก็ได้นี่นี่คือขณะที่เรากําลังฝึกสตินะยังไม่ได้นั่งสมาธินะการฝึกสตินี้จะช่วยให้หยุดความคิดได้ในระดับหนึ่งแต่จะหยุดความคิดไม่ได้หมดนะเพราะถ้ามีการเคลื่อนไหวนี้เรายังใจยังต้องทํางานอยู่ใจยังต้องสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวหทํานู่นทํานี่อยู่เวลาสั่งการไปใจก็จะต้องใช้ความคิดสั่งการไป ถ้าเราอยากจะให้ใจนิ่งเต็มเต็มที่นี้เราต้องนั่งเฉยๆการที่เราจะนั่งเฉยๆก็ต้องมีเวลาที่เราไม่ต้องทําอะไรเราก็จะนั่งได้ตอนที่ช่วงที่เราไม่ต้องทําอะไรช่วงที่เราจะต้องทําอะไรอยู่เช่นต้องอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันต้องรับประทานอาหารต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องทําหน้าที่ทําความสะอาดหวาดถูอะไรทํานองนี้ตอนนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะนั่งเฉยๆได้ ตอนนั้นก็อาศัยการใช้พุทโธพุทโธบรรเทาลดล่ความคิดให้น้อยลงไปก่อนเพื่อที่เวลาที่เรามานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วพุทโธนี้ความคิดมันจะได้ไม่มีไม่มีกำลังที่จะทำให้ฟุ้งซ่านแล้วมันจะทำให้เราถ้าเรามีสติพุทโธอยู่ต่อเนื่องไปโอกาสที่จะทำใจให้นิ่งสง บ, บได้เต็มที่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เรานั่งถ้าเรายัางไม่นิ่งเต็มที่นี่ ความสุขอันมหาศจาลใจนี้มันยังจะไม่เกิดขึ้นมาที่พระเจ้าบอกว่านัติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีเลิศที่สุดที่วิเศษที่สุดแต่มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราต้องนั่งเฉยๆและมีสติที่แข็งแรงที่สามารถควบคุมความคิดอยู่ความคิดได้ร้อเอร์เซ ถ้าเราหยุดความคิดได้ร้อยอร์เซ็แล้วจิตก็จะนิ่งขึ้นมาแล้วพอจิตนิ่งพุทโธก็หยุดไปเองแล้วทั้นนั้นเราก็จะเจอสิ่งที่มาจัดจรย์ใจคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จากการทําใจให้สงบนี้ถ้าเราสามารถมาถึงความสุขอั น, นี้ได้แล้วรับประกันได้ว่าเราจะเราจะไม่อยากจะหาความสุขในรูปแบบอื่นอีกต่อไปเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขแบบนี้ เพ้ความสุขแบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยการพัฒนาต้องมีการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาต้องใช้ปัญญามาสอนใจมาทําลายความโลภความโกรธความอยากที่คอยจะโผล่ขึ้นมาที่จะมาทําลายความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิของเราพอเกิดความโลภมันก็จะมาทําลายความสงบเกิดความอยากมันก็จะทําลายความสงบ เราก็ต้องมาใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสอยากได้อยากโลภนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้สิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้มองเห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาอยากได้แล้วใจเราก็จะไม่อยาก พอไม่อยากมันก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิได้ใจเราก็จะสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะมีความสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกใจไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นน้อยผดสะพไม่ต้องไปหาราบยศสรรเสริญมาให้ความสุขกับใจต่อไป นี่แหละคือเรื่องของใจใจเป็นสิ่งที่สําคัญพระเจ้าบอกว่าเราให้เราเอาเวลาทั้งหมดของเรามาสร้างความสุขที่ใจดีกว่าเพราะเป็นการดับความทุกข์ที่ใจไปในตัวด้วยอย่าไปสร้างความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้วกายเพราะมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวอันนี้คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะวะโสยทามณิโชติอาระโสยทาสะพีติโยวิวัจจันตุสะพารุโคลวินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขิทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีวิสะนิจจุทาปจายโน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 ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุตจากทาง a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติห้าร้อยสี่สิบห้าท่าน t u b e พระสุชาติไลฟ์สองร o อย u ปดสิบสามยูทูดรวีหนึ่งร้อยสามวิทยุออนไลน์สิบสี่ับเฮ์เก้านาคุตหนึ่งรอยสามสิบห้ารวมทั้งหมดหนึ่งพันแปดสิบ้าท่านคะ่ะ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติคะ่ะแม่ไปทำบุญมาแล้วเขาให้หนูอนุโมทนาบุญด้วยหนูพูดว่าสาธุแต่แม่บอกว่าต้องพูดว่าอนุโมทนาถึงจะถูกควรพูดแบบไหนคะพระอาจารย์มันไม่ได้อยู่ที่คำพูดหรอมันอยู่ที่ใจเราว่าใจเรายินดีถึงไม่ถ้าใจเราไม่ยินดีพูดไปมันก็ไม่มีไม่มีผลถ้าเราพูดด้วยคายินดี มันก็ทำให้เรามีความสุขความสุขใจนี่ก็เป็นบุญอย่างห น, นเวลาเห็นคุณแม่ไปทำบุญก็ดีใจไปคุณแม่เพราะรู้ว่าบุญนี้จะพาให้คุณแม่ไปสวรรค์พอเห็นว่าแม่จะไปสวรรค์ลูกก็ดีใจแต่ว่าสาธุก็ได้อนุโมทนาก็ได้อันนี้เป็นแค่วาจาแต่ตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัววาจาอยู่ที่ตัวพูดอยู่ที่ใจ วาเรามีความรู้สึกชื่นชมยินดีไปกับการกระทำของการกระ ท, า, ทาบุญของแม่หรือเปล่าส่วนการพูดอันไหถูกผิดเราไม่รู้จริงๆเราถึงไม่ไมตอบแต่ถ้าเขาถ้าให้เราพูดอนุโมท น, นาเราก็บอาสาธุสาธุดีแล้วสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วคุณทำบุญก็ดีแล้วดีใจด้วยชื่นชมยินดีด้วย คำถามจากทาง Facebook ค่ะหมอดูบอกว่าที่เจอปัญหาต่างๆเป็นเพราะชื่อแต่แท้จริงแล้วไม่ว่าเปลี่ยนที่ชื่อกี่ชื่อก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เนื่องจากเรามีกรรมเป็นของของตนอยู่แล้วที่เราทําได้คือยอมรับและตั้งใจปฏิบตัติเข้าใจถูกต้องไหมคะก็เราเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าไปเปลี่ยนชื่อตัวพฤติกรรมเนี่ยตัวที่ทําให้เราเกิดปัญหาพอเราเปลี่ยนพฤติกรรม ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมันก็หมดไปมันเปลี่ยนจากการทําไม่ดีมาทําดีแล้วต่อไปผลมันก็จะดีตามมาเองแต่มันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ทําปุ๊บจะได้ปับ๊บของพวกนี้มันต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกวันนี้แล้วมันจะให้โตปับ๊บแล้วก็ออกดอกออกผลในวันนี้อะไรมันเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลาเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา ถ้าเราคี้โรคขี้โกดขี่หลง ก, ก็เลิกเสียอย่าโลกอย่าโกดอยหลงจะถ้าจู้จี้จุกจิกก็หัดหยุดเสียถ้าเจ้าขี้เจ้าการก็หยุดเสี ย, าา ย, ย, สยอย่าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านของนะครับปัญหามันก็จะไม่กลับมาหาเราที่ปัญหามันมาหาเราเพราะเราไปหามันเราเป็นคนก่อปัญหาขึ้นมาเองคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ น้อมกลับโอกาสเรียนถามสองข้อครับหนึ่งเพราะเหตุใดพระระยมที่เรียนรู้ธรรมแล้วถึงไม่บรรลุธรรมตามขั้นครับเพราะอะไรครนะทําไมถึงเรียนรู้ธรรมแต่ไม่บรรลุตามขั้นคะก็เรียนไม่ถึงไม่ถึงไม่ไม่ถึงขีดอมอมาเลยแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติ ด, ดเรียนอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติ ด, ด้วยต้องปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติปัญญา สมาธิมันถึงอย่างไปถึงมรุลุ ข, ขั้นได้ถ้าเรียนเฉยๆบนรไม่ได้ข้อที่สองกระผมมีความสดชื่นในหัวใจที่ได้ฟังพระอาจารย์ว่าไม่เคยคิดจะสึกตั้งแต่วันที่ได้บวชกระผมมีความอยากที่จะนำใจไม่คิดออกจากการถือศีลแปดและปฏิบัติธรรม mm hmm. จะขอกราบขอพรและคติธรรมมัดใจจากพระอาจารย์ด้วยครับ ถ้าถ้าถ้าคิดจะสึกก็อย่าไปบวชบวชเสียเวลาทำไมถ้าคิดว่าจะออกไปตรงนู้นแล้วจะกลับมาตรงนี้ก็อย่าไปไม่ดีกว่าไม่เสียน้ำมันไม่เสียเวลาถ้าไปแล้วมันต้องไม่กลับใช่ไหมถึงไปถ้าไปแล้วกลับไปทำไมก็อยู่เฉยๆไม่ดีกว่าเลยถ้าถ้าอยากจะบวชต้ออย่าไปคิดสึกถ้าคิดสึกก็อย่าบวชค่ะ คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะทานศีลภาวนาถ้าตอนนี้ทำได้เพียงทำทานถือศีลห้าส่วนการภาวนายังไม่ก้าวหน้าแบบนี้จะได้บุญหรือไม่เจ้าคะก็ได้ระดับของศีลของทานแต่ยังไม่ได้ระดับของภาวนาคำถามจากทาง y o u t u ด็อกเตอร์วค่ะ การทำสมาธิเมื่อจิตรวมจําเป็นต้องเห็นแสงหรือไม่ครับหากไม่เคยเห็นจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาธิมีการพัฒนาครับเ อ, อถ้าจิตรวมจริงๆไม่มีอะไรให้เห็นมันมีแต่ความว่างมีความนิ่งความสงบถ้าเห็นนี่แสดงว่ายังไม่ยังไม่สงบต้องภาวนาต่อไปพุโทโธต่อไปดูลมต่อไปแล้วแต่เราจะใช้อะไรก็ใช้อนั้นต์ไปน้ำ นั่งเราเห็นหนู่นเห็นนี่ไม่ดีหรอกอย่าไปคิดว่าจะเป็นของดีมันจะเป็นของหลอกเราให้เราคิดว่าเราได้แล้วควาจริงมันยังไม่ใช่มันเป็นของปลอมของหลอกล่อใจเราไม่ให้เราภาวนาต่ อ, อเห็นอะไรอย่าไปสนใจภาวนาต่อไปพุทธโธต่อไปจนกว่าจิตจนิ่งสงบแล้วก็ว่างไม่มีอะไรให้เห็นมีแต่ความสุขที่เป็นความสุขที่มาสะใจใจเท่า น, นั้นแหละเป็นผลของ กาารนั่งสมธิคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธเริ่มดูลมเข้าออกปลายจมูกลมเริ่มละเอียดบางครั้งเหมือนเราไม่หายใจเกิดทุกขเวทนารู้พุทโธสู้ก็นั่งต่อได้สอบถามว่ามาถูกทางไหมคะถ้านั่งต่อก็ถูกทาง นั่งต่อแล้วก็พุโทโธต่อไปอยนั่งเฉยๆอย่าไปนั่งแล้วอยากอยากจะลุกอยากจะห้าหายเจ็บอยากจะอะไรอย่าอย่าให้เกิดความอยากขึ้นมาหยุดความอยากหยุดความคิดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปค่ะคำถามจากทาง facebook ค่ะถ้ารู้เป็นอัตตาหรืออนัตตาคะทารู้เป็นสิ่งเดียวที่เป็นตัวเราของเราเข้าใจถูกต้องไหมคะถ้ารู้ไม่มีอัตตาไม่มีอนัตตาถ้ารู้เป็นท่ารู้ เป็นธาตุเราไปว่ามันเป็นอัตตาเป็นอนตัตตามันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นธาตุรู้คำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะทุกจากคนรักทำให้เสียใจคนรักนอกใจโกหกเรามาตลอดพอเราจับได้จากเงินที่สามีโอนให้เขาไป เราผิดหวังมากจะให้อภัยยังไงดีคะก็โทษตัวเราเองว่าเราโง่แล้วก็อย่าไปทำซ้ำซากอีกเอามาเป็นบทเรียนสอนตัวเราเองว่าอย่าทำอย่างนี้อีกไปโกรธเขาก็ไม่เกิดไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาที่จริงอยู่ที่ความโง่ของเราความไม่ฉลาดของเราไปไว้ใจคนโบราณเ็าบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตาย ตอนนี้ไม่ค่อยฟังกันไม่ค่อยเชื่อกันตอนใครเขาพูดไดหอมๆดีๆหน่อยเขาเชื่อไปหมดเลยในที่สุดก็ถูกหลอกค่ะคำถามจากทาง facebook ค่ะผมส่วนบนแผ่เมตตานั่งสมาธิสามสิบนาทีได้บุญไหมครับก็อยู่ที่สงบ ก, ก็ไม่สงบถ้ายังไม่สงบ ก, ก็ยังไม่ได้บุญต้องสงบถึงจะได้บุญ แต่ก็ได้ความเพียรได้ความพยายามแต่ยังไม่ได้ผลคือความสงบก็ต้องเพียรไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบถึงจะได้บุลคําถามจากทาง youtube ดร์วค่ะถ้ามีเหล้าเป็นส่วนผสมในอาหารกินเข้าไปจะผิดศีลข้อห้าไหมคะแล้วถ้าท่าเราไม่รู้ก็ไม่ผิดถ้าเขาปรุงมาที่ร้านเราไม่รู้เขาใส่อะไรเข้าไปบ้าง เราก็กินเข้าไปคิดว่าเป็นเป็นเป็นอาหารมันก็แล้วไม่ได้ทําให้เรามึนเมาก็ไม่ผิดแต่ถ้าเรารู้รู้เรามีเจตนาใส่ตัวเองนี่มันผิดถึงแม้จะหยดเดียวสองหยดก็ไม่ควรใส่เข้าไปค่ะคำถามจากทาง facebook ค่ะการภาวนาคืออะไรคะว่าการสุกจิตไงการควบคุมจิตให้สงบให้นิ่งแล้วก็ให้ฉลาดมีสองระดับระดับแรกฝึกจิตให้นิ่งให้สงบ พอจิตสงบนิ่งแล้วก็สอนจิตให้ฉลาดเพื่อรักษาความนิ่งต่อไปด้วยการหยุดความอยากที่ที่ยังเกิดขึ้นได้อยู่ยังไม่มีคําถามค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหม้ถามได้ในตอนนี้นะเพราะเดี๋ยวเรากไม่ถามแลนะ้วนั้นไม่ตอบนะเพราะว่ามันไม่สะดวกแล้วก็เสียงมันไม่ไมดังพอคันนี้มีไมโครโฟน พอมาพูดตอนที่ไม่มีไมโครโฟนแล้วมันต้องตะเบนเสียงถึงจะได้ยินกันต้นเหนื่อยถ้าใคอยากจะให้ถามคําถามในช่วงนี้มีคําถามเข้ามาไหมเดี๋ยวจะรอสักนาทีสองนาทีดูถ้ายังไม่มีก็เอาเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ